เป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวต่างๆของบุคคลที่ตายไปแล้วคือท่านโรเบิร์ตฮิวเวนสันซึ่งเป็นบาทหลวงที่นับถือศาสนาครตกได้มาติดต่อกับผู้เขียนคือมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เียซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับท่านสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่อาจารย์สิริพุทธสุขเป็นผู้แปลเรื่องเหล่านี้จากหนังสือฉบับภาษาอังกชื่อ Life in the World unseen และอาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นผู้จัดพิมพ์ฉบับภาคภาษาไทยผู้เขียนคือมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์แต่ข้อความที่เขียนบรรยายไว้ในหนังสือเรื่องนี้กลับมาสนับสนุนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาอย่างมากมายและยิ่งกว่านั้นข้อความในหนังสือเรื่องนี้ในส่วนที่เป็นหลักวิชานั้น ได้ตรงกับหลักธรรมในหนังสือพระไตรปิฎกของเราเกือบจะทั้งหมดและตรงกับข้อเท็จจริงหลายอย่างที่ข้าพเจ้าค้นคว้าได้โดยเหตุนี้ข้าพเจ้า จ, าจึงสนใจต่อ น, นังสือเรื่องนี้มากเป็นพิเศษข้าพเจ้าก็ได้มีจดหมายถึงมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเรื่องนี้มิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียได้ยืนยันมาในจดหมายของเขาว่า เขาได้ฝึกสมาธิมานานจนกระทั่งมีความสามารถเห็นผู้ที่ตายไปแล้วและได้ยินคำพูดของพวกเหล่านี้ด้วยเรื่องนี้เขาเขียนขึ้นมาก็เพราะท่านโรเบิร์ตฮิวเวนสันซึ่งได้เคยรู้จักกันมาก่อนตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่ท่านได้ตายไปแล้วถึงสี่สิบปีได้มาบอกเรื่องราวต่างๆให้เขาฟังทั้งนี้ก็เพราะ ในสมัยท่านเราเบิร์ตฮิวเวนสันยังมีชีวิตเป็นคนอยู่นั้นท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีสมาธิดีถึงขั้นเห็นโอปปาติกาท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตหลังจากมรณกรรมไว้หลายเล่มแต่เนื่องจากในสมัยนั้นท่านตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคำสอนทางาศาสนาที่เชื่อกันแพร่หลายอยู่ในสมัยนั้นท่านจึงไม่กล้าเขียนตามความคิดเห็นของตนเองจริงๆ ฉะนั้นในหนังสือที่ท่านเขียนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกของโอปปาติกะจึงมีผิดพลาดมากมายหลายแหง่งท่านมีความเสียใจที่ได้สร้างความเข้าใจผิดให้แก่มนุษยชาติฉะนั้นเมื่อท่านได้พบโลกของโอปปาติกะด้วยตนเองและได้ศึกษาจนกระทั่งมีความเข้าใจดีพอสมควรแล้วเมื่อมีโอกาสจึงได้มาติดต่อกับมิสเตอร์แอนโทนี เพื่อที่จะบอกเล่าถึงความจริงต่างๆในเรื่องโลกของโอเปราจิกะให้คนทั่วไปเข้าใจถูกต้องพร้อมทั้งได้พรรณนาถึงความยากลําบากในเรื่องการติดต่อกับมนุษย์ไว้อย่างน่าสรรเสริญในความพยายามของท่านเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่องนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและหาได้ยากยิ่งเรื่องหนึ่งมิสเตอร์แอนโทนีจะรับถ่ายทอดมาอย่างถูกต้อง กล่าวคือท่านบอกมาอย่างไรก็บันทึกไว้อย่างนั้นไม่ตัดตอนหรือต่อเติมจากความคิดเห็นของตนเองต้องการให้ข้อคิดสําหรับนักศึกษาในปัจจุบันว่าคนที่ตายไปแล้วนั้นไม่ใช่สูญสิ้นไปเลยเพราะยังมีชีวิตอยู่และมีอยู่อย่างสมบูรณ์ด้วยความดีความชั่วที่เราทําไว้ไม่สูญสิ้นไปไหนซึ่งหลักอันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาแท้ เพราะฉะนั้นถ้าลองคิดดูให้ดีถ้าคนในพระพุทธศาสนายืนยันหลักอันนี้ก็เป็นเรื่องเท่น่าประหลาดอะไรแต่ถ้าเป็นบุคคลในศาสนาอื่นยืนยันและเป็นการยืนยันอย่างมีหลักฐานเช่นนี้แล้วก็ย่อมจะทำให้เรารู้สึกตหนักว่ากฎข้อกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ประกาดไว้นั้นต้องเป็นความจริงอย่างแน่นอนทั้งจะทาใหเรารู้สึกด้วยว่า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 คนทุกชาติทุกศาสนาย่อมมีความเห็นตรงกันหมดด้วยเหตุที่แปลมาจากหนังสือในภาคภาษาอังกฤษชื่อ Life in the World unseen หรือชีวิตในโลกที่ตามองไม่เห็นเป็นประจักษ์พยานถึงสัจธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างดีสมควรที่ชาวพุทธจะได้อ่านกันทั่วๆไปและขอขอบคุณมิสเตอร์แอนโทนี ที่ได้อนุญาตให้จัดพิมพ์ต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษได้ตามความประสงค์อีกด้วยพรรัตนสุวรรณ1สิงหาคม2508